ขันทสูตรว่าด้วยขันเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงขันห้าประการและอุปาทานขันห้าประการเธอทั้งหลายจงฟังขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันสองเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งละถึง 3. ส, สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. ส, สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสังขารขันห้าวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าขันห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอาสวะเกื่อกูลแก่อุปาทานนี้เรียกว่ารู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปสองเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งละถึงไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอาสวะเกือกูลแก่อุปาทานนี้เรียกว่าเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอาสวะเกือกูลแก่อุปาทานนี้เรียกว่าสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ละถึงประกอบด้วยอาสวะเกื้อกูลแก่อุปาทานนี้เรียกว่าสังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอาสวะเกื้อกูลแก่อุปาทานนี้เรียกว่าวิญญาณูปาทานขัน ปุปาทานขันคือวิญญาณพิสุน์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าปุปาทานขันหประการขันทสูตรที่หจบเจ็ดโซนสูตรว่าด้วย โสนะขหบดีบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตโครงราชครื้ครั้งนั้นบุตรของข้าพเดีชื่อโสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโสนะข้าพดีบุตรดังนี้ว่าโสนะก็สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง พิจารณาเห็นว่าเราเลิกกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาด้วยรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้มิใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงพิจารณาเห็นว่าเราเลิดกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาด้วยเวทนาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงพิจารณาเห็นว่าละถึงด้วยสัญญาที่ไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าเราเลอกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขา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 นอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงโสนะส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่พิจารณาเห็นว่าเราเลิกกว่าเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาบ้างด้วยรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลผันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการเห็นความเป็นจริง ไม่พิจารณาเห็นว่าละถึงด้วยเวทนาที่ไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นว่าด้วยสัญญาที่ไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นว่าด้วยสังขารที่ไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นว่าเราเลิกขวาเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเร า, าเสมอเขาบ้างไม่พิจารณาเห็นว่าเราร่อยกวาเขาบ้างด้วยวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา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 ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าโซ so, นะเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอย่าประละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้น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 โสูตรว่าด้วยโสนะขะพดีบุตรสูตรที่สองเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลวุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นบุตรของขะบดีชื่อโซนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโซนะขะปีบุตรดังนี้ว่าโซนะก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดรูปไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งรูปไม่รู้ชัดความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดเวทนาไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งเวทนาไม่รู้ชัดความดับแห่งเวทนา ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดสัญญาละถึงไม่รู้ชัดสังขารไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปาทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณ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 รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งรูปรู้ชัดความดับแห่งรูปรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปรู้ชัดเวท an นารู้ชัดสัญญารู้ชัดสังขารรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ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 นันทิกะขยะสูตรว่าด้วยการสิ้นความเพลิเพลินเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปที่ไม่เที่ยงนั่นแล ว, ว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฐิเห็นชอบเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัด เพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วภิกษุเห็นเวทนาที่ไม่เที่ยงนั่นแลวว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วภิกษุเห็นสัญญาที่ไม่เที่ยงนั่นแลวว่าไม่เที่ยงและถึงภิกษุเห็นสังขารที่ไม่เที่ยงนั่นแลวว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อนายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัด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 เพราะสินทั้งความเพล่อเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วนันทิกะขยะสูตรที่9จบ 10. ทุติยนันทิกะขยะสูตร ว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลินสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมานัิการรูปโดยแยกคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนัการรูปโดยแยกคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริง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 และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้งความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมน ก, การสัญญาโดยแยบคายละถึง เธอทั้งหลายจงมานักการสังขารโดยแยกคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมานักการสังขารโดยแยกคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อน่ายในสังขารเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัด จิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมนุษการวิ ญ, ญญาณโดยแยกคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนุิการวิญญาณโดยแยกคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพล่อเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพล่อเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วทุติยะนันทิกะขยะสูตรที่10บจบอัตตีปวั์ที่หจบ พระสูตรที่มีนิวรักษ์นี้คือ 1. อัตตะทีปสูตร 2. ปฏิปทาสูตร 3. อณิจจสูตร 4. ทุติยะอณิจจสูตร 5. สมานุปัสสนาสูตร 6. ขันธสูตร 7. โซนสูตร 8. ทุติยะโซนสูตร 9. นันทิกะขยะสูตร 10. ทุติยะนันทิกะขยะสูตรมูลปันนาจบบริบูรณ์รวมวักที่มีในมูลปันนานี้คือ 1. นึกุลปิตุวักสออนิจวัก 3. ภารวักค 4. น่นตุมหากวักหอัตตีปวัก รวมห้าวักเรียกว่าปฐมปันนามะชิมะปันนาหนึ่งอุปยวักหมวดว่าด้วยความเข้าถึงหนึ่งอุปยสูตรว่าด้วย ความเข้าถึงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเข้าถึงไม่ใช่ความหลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยคความเพลิดเพลินตั้งอยู่ ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้และถึงวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติการมาการไป การจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพยบู์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุถ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุ ถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับไปเอง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 ว่าด้วยอุปมาด้วยพืชเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพืชห้าชนิดนี้คือ 1. พืชเกิดจากเงา 2. พืชเกิดจากลำต้น 3. พืชเกิดจากตา 4. พืชเกิดจากยอด 5. พืชเกิดจากเมล็ด ภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญ ง, งอกงามไพยบู์ได้หรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักละถึง ถูกเก็บไว้อย่างดีและมีดินมีน้ำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพลบู์ได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณติติสีเหมือนปะทวีธาตุพึงเห็นความกำหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินเหมือนอาปโปธาตุพึงเห็นวิญญาณพร้อมอาหารเหมือนพืชห้าชนิดวิญญาณที่เข้าถึงรูป เมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่ละถึงเข้าไปเสพสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาละถึงวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพ่บูนแห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลาย ถ้าความกำหนัดในรูปธาตุพิษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุถ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุพิษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์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 พีชสูตรที่สองจบ 3. อุทานสูตรว่าด้วยการเปล่งอุทานเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่า ภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม่บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารการปรุงแต่งกรรมจกไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จกไม่มีพึงตัดโอรัมพาขิยสังโยตสังโยตเบื้องต่าได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจะไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จกไม่มีพึงตัดโอรัมภากิยสังโยชน์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุปุุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะละถึง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 ไม่รู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงเธอไม่รู้ชัดรูปที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกข์เวทนาที่เป็นทุกข์สัญญาที่เป็นทุกข์สังขารที่เป็นทุกข์ไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นทุกข์เธอไม่รู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นอนัตตา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 ไม่รู้ชัดวิญญาณที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าวิญญาณถูกปัจจัยปรุงแต่งเธอไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปจากมีเวทนาจากมีสัญญาจากมีสังขารจากมีไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิญญาณจากมีภิกษุส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยฉลาดในธรรมของพระอริย ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยได้เห็นสัตว์ปรุษฉลาดในธรรมของสัตว์ปรุษได้รับการแนะนาในธรรมของสัตว์รุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา เธอรู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงรู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงรู้ชัดรูปที่เป็นทุกข์รู้ชัดวิญญาณที่เป็นทุกข์รู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตารู้ชัดวิญญาณที่เป็นอนัตตารู้ชัดรูปที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง รู้ชัดวิญญาณที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าวิญญาณถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปจากมีเวทนาจากมีสัญญาจากมีสังขารจากมีรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิญญาณจากมีเพราะความไม่มีรูปเพราะความไม่มีเวทนาเพราะความไม่มีสัญญาเพราะความไม่มีสังขาร เพราะความไม่มีวิญญาณภิกษุนั้นเมื่อน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจะไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จะไม่มีพึงตัดโอรัมภาคียสังโยชน์ได้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้น้อมใจไปอย่างนี้พึงตัดโอรัมภาคยสังโยชน์ได้ ก็เมื่อภิกษุรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปตามลําดับภิกษุผู้ตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับย่อมสะดุ้งในที่ไม่ควรสะดุง้งก็ผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจากไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จะไม่มี ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับไม่สะดุ้งในที่ไม่ควรสะดุง้งก็อริยสาวกผู้ได้สดับไม่สะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมสังขารจากไม่ได้มีแล้วปฏิสนธิของเราก็จกไม่มีวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้ง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 เพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วละถึงไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปตามลำดับอุทานสูตรที่สามจบ สอุปาทานปริประวัตนาสูตรว่าด้วยอุปาทานขันเวียนรอบเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้อุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป สเวทนูปารทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. ส, สัญญูปารทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. ส, สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปารทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณตราบใดเรายังไม่รู้ชัดอุปาทานขันห้าประการนี้ โดยเวียนรอบสี่ครั้งตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดอุปาทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ครั้งตามความเป็นจริงเมื่อนั้น เราจึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและถึงเทวดาและมนุษย์เวียนรอบสีครั้งเป็นอย่างไร คือเรารู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารเรารู้ชัดวิญ ญ, ญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณรูปเป็นอย่างไรคือมหาพุทธ ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูทธ ร, รูปสี่ นี้เรียกว่ารูปเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีเพราะความดับแห่งอาหารความดับแห่งรูปจึงมีอริยมรรคมีองค์8ดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูป ความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ สมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อนายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพรามเหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก เวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนาหกประการนี้ได้แก่ 1. จักขุสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากจักขุสัมผสัสสโสตสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากโซตสัมผสัส 3. าคานสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากคานสัมผสัส 4. ชิวหาสัมผัสชาวเวทนา เวทนาเกิดจากชิวหาสัมผสัสห้ากายสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากกายสัมผัส 6. มโนสั г, มผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าเวทนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมี อริยมรรคมีองค์แปดนี้แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือ 1. สัมมาทิจิและถึง 8. สัมมาส ม, มาธิสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชติเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายคำหนัดเพื่อดับเวทนา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 สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก